ครับขอโอการจากพระอาจารย์ทรงศิลครับครับขอโการจากพระอาจารย์สุรินทร์ก็ขอการจากเพื่อนสาธรมิกเจริญพรไม่ชี่แล้วก็ญาติโยมนะอุบาสกอุบาสิกาก็ยังเมื่อก่อนเนาะพระอาจารย์ทรงศิลปก็ยังบอกว่ายังผมพร้อมดำดำอยู่ยังผมพร้อมดำดำอยู่ก็พราะเนืงจากว่า ไปตากแดดตากลมปีนี้ก็ไปทุดงเนาะไปทุดงก็เจออากาศหนาวโอ้ก็อากาศหนาวหนาวกว่าที่เราที่นี่ประมาณสักามสี่องศาก็ก็เย็นว่าเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่สูงหน่อยก็ก็ปีนี้ก็จะเหมือนกับ พยายามเนาะพระจันทที่นําก็พยายามที่จะหาเรียกว่าที่มุงที่บังปีที่แล้วเดินอากาศก็อุ่นกว่านี้เยอะเราก็จะเหมือนกับว่าที่พักก็จะเลือกเป็นปา่าช้าเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเป็นที่ที่เราไม่ต้องไปเหมือนกับไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครมากแล้วก็ปีที่แล้วก็คณะก็ใหญ่กว่านี้หน่อยนึง การที่จะไปเกี่ยวข้องกับใครบางทีมันก็ลำบักใจเหมือนกันอย่างคราวนี้ไปถึงวัดวัดหนึ่งที่ดอยแม่สลองเนาะก็ท่านก็มีแบบว่ามีพระอยู่3รูปต่างคนเออไม่ใช่มีพระอยู่สรูปแล้วก็มีเนอนะเนอยู่เนาะเนนอยู่รูปหนึ่งต่างคนก็ต่างแบบว่าบิณฑบาตของตัวเองแล้วก็ฉันของตัวเองนะพระ ก็เหมือนกับท่านก็บินคนละสายคนละทางกันบินก็ชันไม่ไม่มีการชันรวมพอพวกเราไปถึงกันสิบเอ็ดคนนะมีพระอยู่เจ็ด 7, มีโยมอยู่สี่อย่างเงี้ยนะตูมเดียวก็แบบว่าเต็มบัดท่านท่านก็ไม่รู้จะรองรับยังไงอย่างเงี้ยอย่างเง้นก็ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็นะ่ะก็คือเป็นเป็นเรื่องที่เหมือนกับพอปีที่แล้วเราก็พิจารณา ในส่วนที่ไม่ไม่ไปเบียดเบียนใครก็อยู่อยู่ปา่าช้าก็มีที่มุงแต่ไม่มีที่บังก็ตรงนั้นก็เป็นอันหนึ่งแต่ปีนี้ก็เหมือนอากาศเย็นขึ้นประกันประจันโตก็เลยเหมือนกับว่าเลือกที่มุงที่บังไม่งั้นแบบแ ค, คล้ายๆว่าเราก็จะเหมือนกับ ค, คล้ายๆว่าอืม แบบว่าสร้างทุกข์ให้กับร่างกายเกินไปเนาะอย่างนั้นก็ <c oughs> การทุดงก็จะเหมือนกับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเปลี่ยนบรรยากาศจากเราเคยอยู่กับบา้าเคยอยู่กับที่ที่เราคุ้นเคยเป็นปีๆเนาะอย่างนั้นพอเวลาที่เราอยู่กับที่ที่คุ้นเคยนานๆให้ใคร สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความอบอุ่นคุ้นเคยนะความอบอุ่นคุ้นเคยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายอยู่เนาะอันตรายเพราะเนื่องจากมามันเป็นเรื่องที่ทําให้เราอาจจะติดอาจจะยึดตรงนี้เนาะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือการที่เราไปเปลี่ยนเปลี่ยนที่เนี่ยให้การติดการยึดตรงนี้เนี่ย ก็ที่สำคัญก็คือก็เรียกว่าการดิ้นรนเนาะของจิตใจที่ไม่เคยก็เรียกว่าไม่เคยได้ได้รับรับรู้บรรยากาศแบบนั้นเนี่ยจิตใจก็เคลื่อนไหวมากขึ้นการทุดดงก็เราไปเป็นคณะก็จริงแต่ว่าทำนองเดียวกันเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าแต่ละคนก็จะมีอธิษฐานเนาะ ทูดงเข้ามัตที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละคนก็จะเหมือนกับว่าบางคนก็อาจจะอธิษฐานฉันมือเดียวบางคนก็อาจจะอธิษฐานเขาเรียกว่ า, าเหมือนกับอธิษฐานต่างๆเนาะอธิษฐานต่างๆการที่เราอธิษฐาน อธิษฐานก็เรียกว่าอธิษฐานจิตนะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าอยู่กับช่วงเวลาทุดงแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทําแบบนี้นะตั้งใจที่จะทําแบบนี้ตั้งใจตลอดการทุดดงไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเรื่องที่เหมือนกับที่ทางเวลาที่พระจารทรงศินเนาะ ได้ดูแลคณะอย่างเงี้ยนะก็อาจจะให้อธิษฐานจิตอาทิเช่นวันนี้ไม่พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าวันนี้นั่งเนาะสร้างจังหวะอย่างเดียวหรือว่าวันนี้เดินจงกรมอย่างเดียวไม่นั่งเลยอะไรต่างๆ่านั่นนะตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าก็เป็นการอธิษฐานซึ่งถ้าเกิดว่าพวกเราเวลาที่พวกเราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยพอเวลาที่เราอธิษฐานจิตเนาะ ตั้งใจอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรียกว่าในจิตใจอีกอันหนึ่งที่มันมีความอยากเนาะก็เรียกว่าครอบงำอยู่เนี่ยนะมันก็จะวุ่นวายกับเรามากๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยการที่เราเดินทุ ด, ดงเนี่ยมันก็เหมือนกับเราก็อยู่กับตัวเราเองจริงๆเนาะคำว่าอยู่กับตัวเราเองจริงๆก็ก็คือมันไม่มี โทษคนอื่นไม่ได้แล้วนะความตั้งใจของเราก็เป็นความตั้งใจเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นนัคือตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เวลาที่จิตมันดิ้นรนนะเราก็จะเห็นก็เรียกว่าเห็นความดิ้นรนของจิตตรงนั้นง่ายหรือถ้าเกิดว่าเราก็เรียกว่าเราไม่ทันก็เรียกว่าไม่ทันอาการของจิตที่มันดิ้นรนไปเราก็ตกเป็นเหยื่อของเขาง่ายๆเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าก็ มันก็เป็นความสนุกสนานเนาะในในการเดินในการเดินทุ ด, ดงเวลาที่เดินทุ ด, ดงเราก็เดินกันไปเป็นต้องเรียกว่าเป็นหมู่คณะเนาะแต่ว่าทำนองเดียวกันเนี่ยเราก็จะต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเดินก็คือเหมือนกับว่าในช่วงในช่วงเช้าเนาะเราก็จะกำหนดกันโดยประมาณสักสี่ห้ากิโลสี่ห้ากิโลนี้ก็คือรู้ๆกันอยู่ว่า จุดหมายปลายทางที่เราจะพักข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นที่ไหนยังไงอะไรต่างๆนั่นก็คือตรงนี้ใครจะเดินเร็วบ้างใครจะเดินช้าบ้างก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ว่าก็คือถือว่าไม่ไม่หลุดกันไปไกลมากแต่บางทีก็ถือว่ารับตากันเนื่องจากว่าเส้นทางไม่ใช่เป็นเส้นทางตรงๆเนาะ เป็นเส้นทางที่เป็นเป็นปา่าเป็นเขาขึ้นขึ้นลงๆงลดเลี้ยวบ้างอะไรต่างๆ น, นั่นก็คือตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราก็อยู่กับตัวเราจริงๆอยู่กับความตั้งใจของเราจริงๆในแต่ละวันในแต่ละวันต่างๆนั่นนึงคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าก็เป็นเป็นเาเรียกเป็นสิ่งที่จะมาเป็น ลสชาติของการทุ ด, ดงก็ได้นะหรือว่าจะเป็นสิ่งที่คุณอุปการของการที่เราเดินทุ ด, ดงจะเขาเรียกว่าจะเป็นคุณอุปการที่เกิดขึ้นในระหว่างการทุ ด, ดงนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยอาการของจิตต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะเห็นเนาะจะเห็นอย่างการทัเดินทุดงปีนี้ก็ก็จะเดินเดินส่วนใหญ่ ต้องเรียกว่าขึ้นเขาลงเขากันทุกวันขึ้นเขาลงเขากันทุกวันเนื่องจากว่าจากเชียงรายเนี่ยจะมาเชียงใหม่แล้วก็จะต่อไปแม่ฮ่องสอนฟากนี้ของประเทศไทยถ้าเกิดว่าใครดูแผนที่เนาะก็จะพบว่าจะมีทิวเขาเนี่ยที่วิ่งจากเหนือลงใต้เนี่ยวิ่งจากเหนือลงใต้หลายหลายทิวเขามากซึ่งพวกเราก็จะเหมือนกับต้องข้ามทิวเขาเหล่านั้นแล้วก็ เส้นทางที่เราเลือกก็จะเป็นเส้นทางที่ไม่เลี่ยงเลี่ยงจากถนนใหญ่นะก็จะเป็นเส้นทางที่เราเดินหนึ่ง ม, มาถ้าเป็นไปได้เดินกับหมู่บ้านหนึ่งไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งได้ก็จะดีอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นนั่นคือเราก็จะได้เห็นนะเขาเรียกว่าร่างกายนะพอสตาร์ทขึ้นเช้าขึ้นวันหนึ่งก็ เริ่มขึ้นเขาลงเขาเริ่มขึ้นเขาลงเขาต่างๆตรงนี้ครเป็นสิ่งที่เรียกว่าการวางกายคลายการวางใจกลางๆงก็จะเข้ามาลองรับการการเดินตรงนี้นะเราก็ต้องเหมือนกับจัดสรรค์ก็เรียกว่าทํำยังไงถึงจะเป็นการวางกายคลายทำยังไงถึงจะเป็นการวางใจกลางๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นเรื่อง ที่เราก็ต้องค่อยๆนะก็เรียกว่าค่อยๆเรียนรู้ไปผ่านจังหวะก้าวเดินทีละก้าวทีละก้าวทางเดินก็เป็นทางที่บางทีก็ชันมากบางทีก็ชันน้อยเนาะบางทีก็ลดเลี้ยวอะไรต่างๆนานาบางทีพื้นที่ไม่เรียบเนาะก็ทําให้การส่งตัวก็ลําบากอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อันหนึ่งอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่ อุปกรณ์เนาะอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตของเราที่ติดตัวไปน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นประมาณสักสิบกิโลก็ก็ถือว่าก็สร้างก็เรียกว่าสร้างความยากลำบากให้กับการเดินเพิ่มขึ้นของแต่ละคนไม่มากก็น้อยเนะะาะเพราะว่าอย่างอย่างน้อยที่สุดประมาณ1ิบกิโลเนี่ยก็เกือบยี่สิบเอร์ซนของน้ำหนักตัวเราเนะาะดังนั้น เราะฉะนั้นคือพอแบกน้ําหนักเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยจะเป็นร่างกายเราจะเป็นเข่าก็ดีข้อเท้าก็ดีจะเป็นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่ตางๆนานาก็รับบทรับบทหนักขึ้นนะนั่นนั่นคือทางที่เราเคยเดินเป็นปกติใช่ไหมเอาปรากฏ ว, ว่าพอมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นอีก10บกิโลไอที่เคยเป็นปกติมันก็ไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าไอที่เราเคยเป็นปกติอยู่ เราก็อาจจะเผลอเข้าไปยึดไปติดว่านั้นคือปกติของเราอะไรเงี้ยนะแต่นาทีนี้วินาทีนี้ปัจจุบันขณะมันไม่เหมือนเดิมวันนั้นนั้นคือตรงนี้ก็เราก็เดินตันได้เห็นนะเรื่องราวแบบนี้นนี้เราจะไม่ก็ต้องอยู่กับตรงนั้นจริงๆอยู่กับตรงนั้นจริงๆเดี๋ยวบางทีทางเดินก็เป็นฝนะุ่นเะมันทีทางเดินก็เปียกก็ลื่นอะไรต่างๆบางทีเดี๋ยวทางเดินก็เป็น เขเรียกว่าพื้นถนนที่มีสภาพต่างๆนานากันตรงนี้ก็มันก็ทันได้เห็นนะเขเรียกว่าเขเรียกความไม่เที่ยงเนาะของจิตใจเราความไม่เที่ยงของจิตใจเราบางทีมันก็เผลอไปเป็นความทุกข์ของใจเราเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยบางทีเราก็ได้สังเกตเนาะเขเรียกว่าการใช้ร่างกายที่มากขึ้นเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราได้เห็นนะ บทีร่างกายยังไม่ทันโวยวายนะแต่ใจก็าโวยวายไปแล้วอะไรอย่างนี้นัน่นก็คือตรงเนี้ยพอเราได้มองเห็นภาพพวกนี้นะเราก็ทันได้เห็นนะคําสอนของพระพุทธเจ้านะอ๋อนี่กลายเป็นทุกข์นะกระใจเป็นทุกข์มันเป็นคนละส่วนกันอะไรต่างๆอย่างคราวนี้นี่ก็เรียกว่าอืมอากาศก็เป็นใจมากๆนะเป็นใจให้การขึ้นเขาลงเขาเนี่ยแบบว่าก็ถือว่า ความเหนื่อยเนี่ยก็ดำลงอยู่กับร่างกายเนี่ยไม่นานเนาะเนื่องจากว่าแดดไม่ค่อยมากแล้วก็อากาศเย็นนะอากาศเย็นแล้วยิ่งทางเหนือเนี่ยเป็นอากาศที่มีเ็าเรียกว่ามีความชื้นนอากาศสูงด้วยเนี่ยเวลาที่เหนื่อยเนาะเหนื่อยทางกายเนี่ยพอเวลาที่เราสูดลมหายใจเต็มเต็มปอดสักครั้งเนี่ย อาการเหนื่อยของกายนี่ต้องเรียกว่าลดลงไปเป็นอืมอย่างมากๆเลยหรือไม่บางทีก็หรือไม่ใช่บางทีต้องเรียกว่าเกือบทุกครั้งเนาะของการที่เดินขึ้นเขาเนี่ยบางครั้งระยะทางชันเนี่ยเป็นกิโลกิโลเนาะ <S <S ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าอระยะพักเท้าที่จะให้ เท้าเป็นพื้นล้าบก็จะไม่มีนะเพราะเนื่งจากว่าขึ้นทางชันเนาะการเดินขึ้นทางชันเป็นระยะยาวเนี่ยการจัดจังหวะลมหายใจการจัดจังหวะก้าวอะไราตานานาเหล่านี้ก็มีความสําคัญเพราะถ้าไม่งั้นก็จะเกิดการเหนื่อยหอบเนาะยิ่งถ้าเกิดว่าเราวางกายไม่ดีวางใจไม่ดีเนี่ยในการขึ้นทางชันนี่จะเป็นเรื่องของความยากลำบากมากมาก แต่พอเวลาที่เราเหมือนกับจัดสรรในจังหวะลมหายใจของเราให้มันเหมาะสมกับการก้าววางกายดีๆวางใจดีๆต่างๆ น, นๆนั้นเหล่านี้เนี่ยปรากฏว่าทุกครั้งที่เดินถึงยอดเขาเนี่ยมันก็จะมีลมนะพัดวูบหนึ่งเข้ามาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นความสูงของเขาด้วยอะไรต่างนนๆนันๆเหล่านีนน้หนึ่งลมพัดเนี่ย สังเกตดูว่าโอ้นี่ร่างกายนะก็เหมือนกับว่าแม้จะเดินผ่านมาเป็นกิโลหรือกวางก่ากิโลก็ความเหนื่อยนะก็ความเหนื่อยของร่างกายก็หายไปทันทีตรงนี้ก็พอความเหนื่อยของร่างกายหายไปทันทีจิตใจมันก็แสดงอาการชื่นใจขึ้นมาทันทีเลยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าเออนะก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้ได้เหมือนกับ ได้เห็นนะก็เรียกว่าความเป็นไปของกายความเป็นไปของใจในการเดินในการเดินทุดงคราวนี้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเขตที่เราผ่านนะก็จะเป็นเขตก็เรียกเป็นเขตชายแด น, ช า, แดนชายแดนไทยพม่าตลอดตลอดชายแดนเขตชายแดนไทยพม่านี่ก็มันก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่า มีบางเขตที่เป็นเขตก็เรียกว่าเขตด่านเนาะด่านศุลักกรที่ชัดเจนเนาะมีการเข้ามีการออกบางเขตก็เป็นเขตที่ก็เรียกว่าเป็นความตึงเครียดเนาะของอ่าก็เรียกว่าของการปกครองตรงเถวๆนั้นบางทีก็จะมีลวด้นะํามเนาะ นว ด, ดน้ำดูดุดันอยู่เฉียงข้างทางเดินของเราไปข้างนี้เป็นฝั่งพมา่านะข้างนี้เป็นฝั่งไทยนะยุ่งเกี่ยวกันไม่ได้บางทีก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเขตผ่อนปลนก็เป็นเขตที่เหมือนกับการไปมาหาสู่กันก็เป็นปกติอะไรต่างๆนาน า, นาตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็มองเห็นนะว่าเออนี่ ทางทางโลกเนาะเขาก็มีเรื่องราวกันการแบ่งแบ่งปันอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เขตนี้เป็นของฉันเขตนี้เป็นของเธออะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แบ่งปันกันคือบางทีก็ทะเลาะกันก็ใส่รดน้ํากันไปบางทีไม่ทะเลาะกันก็เปิดกันอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นสมมุตินะเป็นกําหนดที่เกิดขึ้นมา แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วต้นไม้ก็ดีอากาศก็ดีพระอาทิตย์ก็ดีอะไรอะไรไงก็ดีอะไรเงี้ยที่เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่ต้อนรับเราเนาะเป็นสิ่งที่ต้อนรับเราไม่ปฏิเสธกันเราเดินไปตรงไหนยังไงเรื่องต่างๆเหล่านี้ลมไม้ก็คงทําหน้าที่ของลมไม้เนาะแสงแดดก็ทําหน้าที่ของแสงแดดต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราได้มองเห็นนะว่า คือจริงๆแล้วพอเวลาที่ธรรมชาติเนี่ยก็เอื้อเฟื้อเราตลอดเวลาเนาะเอื้อเฟื้อเราตลอดเวลาแต่ทํานองเดียวกันในเรื่องของก็เรียกว่าเรื่องของกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่สมมุติกันขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเองเราเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็ต้องระมัดระวังเพราะเนื่องจากว่ากฎเกณฑ์ต่างๆนานาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมชาติเนาะนั่นนั่นคือตรงนี้ บางทีหลวงพ่อกำเขียนก็จะบอกมากที่นี่นะไม่ไม่ไม่สนใจกฎเกณฑ์อะไรต่างๆกฎระเบียบไม่อยู่ในหัวใจของหลวงพ่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้ก็ให้เราได้เข้าใจกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติทำกันการที่เราเหมือนกับว่า เริ่มต้นด้วยการที่เราเรียกว่ารู้สึกตัวก็ดีหรือว่าเราจะเริ่มต้นในการที่เราเรียกว่าเจริญสติก็ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าเราเองเราก็เปิดโอกาสให้สติเนี่ยได้ทําหน้าที่เนาะการที่สติได้ทําหน้าที่หมายถึงว่าการทําหน้าที่ในขณะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนก็ดีวัตถุก็ดีธรรมชาติก็ดี สิ่งต่างๆนานาจะเป็นการงา น, านต่างตนานาที่เกิดขึ้นก็ดีตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได on นะ้หวนระลึกถึงสิ่งที่เราเรียกว่าสติเนาะจะมาดูแลกายเราอย่างไรจะมาดูแลใจเราอย่างไรตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ระลึกถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราได้แบบว่ามีสติอยู่เคียงข้างเนาะเคียงข้างอากับกิริยาของเรามีสติอยู่เคียงข้างก็เรียกว่า การกระทำของเราในวันวันหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเราลืมไปไปใช้ก็เรียกว่าความเคยชินของเราไปใช้ความชอบความชังไปใช้ความถูกความผิดอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นมานาปุ๊บเนี่ยตรงนั้นก็คือก็เรียกว่าเราก็ขาดสติไปเมื่อขาดสติไปเราก็จะไหลเข้าไปอยู่กับกฎระเบียบเนาะอยู่กับสิ่งต่างๆนานาเหล่านั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้น พอเราไหลไปตรงนี้เนี่ยก็คือเราก็จะกลายเป็นคนก็เรียกว่าเป็นคนขาดสติในโลกมันก็จะมีคนอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือคนที่มีสติกับคนที่ขาดสติอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงนี้การกระทําต่างๆของการที่ขาดสติเนียสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นโกรธก็ดีโลภก็ดีหลงก็ดีก็จะเข้ามาเขาเรียกว่าครอบงำเราไม่มากก็น้อยนะนันั่นคือตรงนี้เนี่ย ใหความหมงุดหงิดลำคัญใจนะที่เป็นซากเดนของความโกรธอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยไม่มากก็น้อยวันวันหนึ่งก็หลายๆครั้งอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของความโลภเนาะเนาะจะเป็นอยากมีอยากได้อะไรเล็กๆน้อยนไปจนมาทั้งใหญ่ๆก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าก็เกิดขึ้นเนาะนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเรื่องราวของทางโลกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับ เรียกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะก็เรียกว่าจากความอยากเกิดขึ้นจากความอยากเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นจากความอยากเนี่ยการที่เราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นเนี่ยก็ต้องก็เรียกว่าก็ต้องะร ะ, งะมัดระวังกันระมัดระวังการระมัดระวังของเราจะระมัดระวังยังไงเราก็ต้องระมัดระวังในการที่เราก็ต้องตั้งสติเนาะตั้งสติที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้เพราะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ตั้งสติเนาะ กายใจของเราเนี่ยก็ถูกใช้ไปนะเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาหลวงพ่อก็ต้องเรียกว่าเข้าไปเป็นไม่ใช่เห็นนะนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นนะเขาเรียกว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าเกิดขึ้นในทางโลกบางทีคําตอบของชีวิตเราเนี่ยก็เป็นคําตอบที่จะเป็นคําตอบที่เราสามารถที่จะหาคําตอบต่างๆได้ด้วยสติของเรานะความเปลี่ยนแปลงไปนะ สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันเนาะที่จะมีอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเราตั้งสตินิดนึงเนาะตรงนี้เราก็จะพบว่าเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็าตามเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นจากความขาดสติของคนต่างๆจะขาดสติด้วยโลภก็ดีขาดสติด้วยโกรธก็ดีขาดสติด้วยหลงไม่รู้ก็ดี ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้โลกก็ดําเนินไปแต่ตอนนองเดียวกันพอเวลาที่เราเนาะเจริญสติกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในขณะที่เรามีสตินะเป็นครั้งครงครั้งครั้งเมื่อนอย่างที่เมื่อวานประจันทรสงสินพูดว่าเนี่ยพอเวลามีเรามีสติครั้งหนึ่งเราก็ได้ชิมเนาะนิพพานน้อยๆครั้งหนึ่งได้ชิมนิพพานน้อยๆครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตรงนั้นละก็เป็นสิ่งที่ เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆรอบๆตัวเราเนาะอย่างด้วยมีสติเมื่อมีสติใจเราก็ไม่วุ่นวายไม่พุ่งพลานตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเวลาที่เดินทุดงเนาะก็เห็ น, นก็เรียกเห็นภาพภูเขาลูกแล้วลูกเล้วลูกแล้วลูกเ ล, ล, ล, ล, ล้วที่เราเดินเดินผ่านเดินผ่านเดินผ่านกัน นะอย่างที่บอกบางลูกเนาะก็มีการจับจองกันคนละคลื่นแบ่งสรนกันสันนี้เป็นของฉันสันนี้เป็นของเธออะไรต่างๆนานาแถวนั้น แ, นะแบ่งด้วยความรุนแรงก็แบ่งกันไปด้วยก็เรียกว่าลวดหนามเนาะอย่างนั้นลวดหนามนี่ก็สังเกตนะพอเวลาที่เป็นรวดหนามของไทยนะก็จะมีการออกแบบเป็นลวดหนามจริงๆมีความดุร้ายเยอะนะพอเวลาที่เป็นรวดหนามของพม่า ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความเจริญทางวัตถุเขาก็ไม่มากนักนะก็ออกแบบรวดหนาเป็นก็เรียกว่าเป็นไม้ไผ่นะเขาออกแบบเป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> ก็ดูก็เห็นก็เรียกว่าก็เห็นเห็นไอ้ความเจริญทางวัต ถ, ถุนะแล้วก็เห็นความดุร้ายทางจิตใจนะคนหนึ่งก็คิดเนะสร้างสรรไอ้ลวดหนาขึ้นมาก็ไม่ใช่รวดนาที่เราเห็นตามที่ล้อมวัวล้อมควายแบบนี้นะ ก็เป็นรูปหนานที่ออกแบบแบบโอ้ดุดันก็เรียกว่าไม่ว่าคุณจะเข้าคุณจะออกอยังไงก็เรียกว่าโดนโดนทั้งหมดอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็มองเห็นมองเห็นภาพของเขาเรียกว่ามองเห็นภาพของจิตใจเนาะจิตใจที่กําหนดสิ่งต่างๆนะจิตใจที่กําหนดสิ่งต่างๆก็ก็เรียกว่า อย่างเวลาที่เราสวดกันนะพรุทธเจ้าก็เจ้าม่ฮานก็บอกมโนุพังเข้ามาทำมามโนเสรษฐามโนตัมายานะทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเนาะก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมของเราตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็เขาเรียกว่าเริ่มต้นปฏิบัติธรรมแล้วก็เริ่มต้นเข้าไปสู่เ็าเรียกว่าสู่กระบวนการของจิตใจทันทีเพราะนั้นนั่นคือเวลาที่ เราไปเดินทุดงก็ดีไปอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ดีเนี่ยในการที่เราได้เหมือนกับได้มีครูบาอาจารย์เนาะคอยกํากับครูบาอาจารย์คอยกํากับเสียงของครูบาอาจารย์ก็อยู่ข้างหูเราสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ก็ทําให้เราได้เหมือนกับได้มีสติคอยคุ้มครองเหมือนอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนเคยบอกบอกว่าตอนที่หลวงพ่อคำเขียนไปอเมริกานะหลวงพ่อคำเขียนก็บอกบอกว่า อันนี้หลวงพ่อไม่ได้มาคนเดียวนะหลวงพ่อมีหลวงพ่อเทียนพามาตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าการที่หลวงพ่อไปอเมริกาไปสอนธรรมที่อเมริกาตรงนั้นก็เป็นเพราะหลวงพ่อเนาะได้ก็เรียกว่าได้รู้ธรรมเห็นธรรมจากการสอนของหลวงพ่อเทียนเมื่อได้รู้ธรรมเห็นธรรมคนที่นิมนต์หลวงพ่อก็ มันได้นิมนต์ที่ตัวหลวงพ่อเนาะแต่นิมนต์ที่ธรรมะของหลวงพ่อเพราะฉะนั้นนั่นคือการที่หลวงพ่อจะบอกบอกว่าหลวงพ่อเทียนพามาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าถูกที่สุดนะนั่นคือตรงนี้เวลาที่พวกเราไปทุดงกันเนาะก็ต้องเรียกว่าพระจันโน๊ตก็จะเหมือนกับคอยแนะนนะําเนาะแนะนําธรรมะให้เราตอนเช้าๆทุกวันเพื่อให้เราได้เหมือนกับได้มีสติอยู่กับตัวแล้วก็ เราก็ไปไหนมาไหนด้วยสติเนาะก็หลุดไปก็มีบ้างเนาะแต่ว่าทำนองเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นก็เรียกว่าเดี๋ยวก็เห็นตัวครูบาอาจารย์เดี๋ยวก็ได้นึกถึงเนาะสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนสิ่งตรงนี้ก็เรียกว่าสติก็มีอยู่เคียงข้างเราเหมือนอย่างที่ในวัดเราตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเนาะก็บางครั้งก็มีอย่างที่หลวงพ่อเข้เขียนบอกเนาะ มีพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ทรงศิลป์ได้ทํำมาไว้ได้เห็นตรงนี้ก็อ๋อได้ระลึกถึงสติทีหนึ่งได้มีเสมาธรรมจักอันใหญ่ๆตรงนี้อ๋ออ๋อก็ได้ระลึกถึงเนาะแบบว่าธรรมะสักครั้งหนึ่งได้เห็นรูปหลวงพ่อเทียนเนาะที่อยู่ที่ตรงฐานธรรมจักก็อ๋อนี่ได้นึกถึงแบบคําสอนของหลวงพ่อเทียนทีนึงได้เห็นก็เรียกว่ารูปต่างๆที่พระอาจารย์ทรงศิลป์ได้จัดหามา สิ mm ่ง hmm. ต <ok> ่างๆนานาเหล่านี้ก็เพื่อให้เราได้เหมือนกับได้มีสติเนาะลืมไปก็เดี๋ยวก็มีวัตถุสิ่งของที่ช่วยเราลืมไปเดี๋ยวก็มีความทรงจําช่วยเราสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราได้เหมือนกับได้มีสติอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราโดยที่เราก็ไม่ถือว่าขาดไปทีเดียวแต่นี่คือเราอยู่ในบรรยากาศเนาะเราอยู่ในบรรยากาศของวัด นั่นก็คือเมื่อเราอยู่ในบรรยากาศของวัดตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําให้มากที่สุดก็คือทํำยังไงถึงเราจะแบบเหมือนกับคุ้นเคยนะที่จะใช้สติกับในอิริยาบถต่างๆจะเป็นการยืนยมยืนนอนนั่งเดินอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของในรูปแบบนอกรูปแบบก็ตามตรงเนี้ก็ให้พวกเราได้เหมือนกับขยันตรงนี้ให้มากๆเพราะนื่องจากว่าพอเวลาที่เราพ้นไปจากก็เรียกว่า ความอบอุ่นคุ้นเคยตรงนี้เนี่ยบางทีเราก็จะเหลียวไปก็ไม่เห็นรูปหลวงพ่อแล้วนะเหลียวไปก็ไม่เห็นรูปหลวงพ่อเทียนเหลียวไปก็ไม่เห็นรูปพระจันทร์เปนสารเดี๋ยวไปก็ไม่เห็นเงาของผ้าเหลืองอะไรต่างๆนานาเหล่ า, น, า, น, า น, นี้เนี่ยเครื่องหมายที่จะเจริญสติจะช่วยให้เราได้เจริญสติเนี่ยมันก็จะน้อยลงว่านั่ น, น, นก็คือตรงนี้เราก็ต้องพึ่งตัวเองให้มากขึ้นการพึ <striking> ่งตัวเองให้มากขึ้นก็คือเติมสติให้เราจนกระทั่งเราเองเราก็เหมือนกับ ก็เรียกว่าคุ้นเคยนะกับการใช้สติแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนเองก็เหมือนกับไม่ทอดทิ้งเรานะเพราะว่าเนื่องจากหลวงพ่อเทียนเองก็ให้เราเนี่ยได้อาศัยก็เรียกว่าความเคลื่อนไหวของเราเป็นการเจริญสติเพราะนั้นนั่นคือเราจะอยู่ในมัดก็ดีเราก็มีความเคลื่อนไหวแล้วเราจะอยู่ข้างนอกก็ดีเราก็มีความเคลื่อนไหวแล้วเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้การทุ ด, ดงเนาะก็ปีนี้ก็เป็นการทุ ด, ดงที่ เราจะแบบก็เรียกว่าอยู่กับความเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดีอยู่กับความเคลื่อนไหวของจิตใจก็ดีตรงนี้มันก็ทําให้เราได้เห็นก็เรียกว่าเห็นธรรมะเนาะควบคู่ไปกับเห็นธรรมชาติเนาะที่เอื้อเฟื้อเราต้นไม้ทางเหนือก็ยังก็เรียกว่ายังสมบูรณ์อยู่เนาะสายน้ําก็ใสแจ๋วเนาะอย่างนั้นต่างๆ ต, ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าธรรมะ ที่อยู่รอบๆตัวเราก็ได้เห็ น, นธรรมะที่อยู่ในใจเราเราก็ได้เห็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นคุณอุปการของก็เรียกว่าธรรมะที่อยู่รอบๆตัวเราแ ต, แต่ว่าเราเองเราได้มีก็เรียกว่ามีเครื่องมือที่จะเห็นธรรมตรงนั้นไหมถ้าเราพัฒนาเครื่องมือของเราที่เรียกว่าสติตัวนี้เนี่ยเนาะก็เรียกว่าพัฒนาการใช้งานของสติเราก็จะทันได้เห็นเนาะก็เรียกว่า เห็นธรรมชาติรอบตัวด้วยแล้วก็เห็นธรรมะที่เกิดในใจเราเป็นพร้อมๆกันด้วยก็เหมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่าพอเห็นเนาะเห็นดวงตาเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็เห็นธรรมในใจเราได้ยินอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ก็เรียกว่าก็เห็นธรรมในใจเราได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เห็นธรรมในใจเราตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทเขาเรียกว่าก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้วางรากฐานเอาไว้ พระพุทธเจ้าเองก็ได้เหมือนกับได้สอนสิ่งนี้มา2 0 0 0ักว่าปีก็เราก็ยังเอามาใช้นะก็เรียกว่าคุ้มชีวิตของเราก็ทำให้กายไร้ใจการใช้กายใช้ใจของเราเนี่ยก็จะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นก็จะเป็นประโยชน์กับโลกเป็นประโยชน์กับผู้คนเป็นประโยชน์กับสังคมก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยก็มั่นใจนะว่า สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทอดทิ้งใครแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราทำเพื่อที่ว่าเราจะกลับไปเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยกายด้วยใจของเราอย่างที่เป็นประโยชน์จริงๆก็ตรงนี้ก็ประโยชน์ตนเนาะก็จะเป็นสิ่งที่สงบเย็นประโยชน์ท่านก็จะเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ไปเบียดเบีย น, น, นใครเพราะนั้นคือตรงนี้ก็ขอให้การปฏิบัติของพวกเราทุกคน ก็เป็นไปเพื่อให้พวกเราได้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างเต็มที่ก็พวกเรากลับพร้อมกัน